สปริญญาวานหนึ่งปัจจุบันาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันหนึอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัตบุคคลนั้นก็กำลังละสมุทัยสัตใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใด ก, กำลังละสมุทัยสัตบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตใช่ไหมวิสัชนาใช่ อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละสมุทัยสัจใช่ไหมวิสัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังละสมุทัยสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิสัชนาะใช่ 2. องอติตะ ว, วันประดุษภาวะธรรมที่เป็นอดีตห6ึ อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกษัตริย์บุคคลนั้นก็เคยละสมุทรยศใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดเคยละสมุทรยศบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้ทุกสัตริย์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้ทุกษัตริย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทรยศใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละสมุทรยสัตบุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้ทุกสัตใช่ไหมวิจัชนาใช่ 3. อนาคตาวานป้าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคต1 6ึ่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดจะ ก, กําหนดรู้ทุกสัตบุคคลนั้นก็จกละสมุทรทิยสัตใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักรสมุทยิยศบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักรกำหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละสมุทธิยศใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จักรสมุทธิยศ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะ ก, กําหนดรู้ทุกขสั์ใช่ไหมวิจัดชนาใช่ 4. ปัจจุปันนาตีตะวานันว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตหนึอนุโลมปุจฉาบุคคลใดกําลังกําหนดรู้ทุกขสั์บุคคล น, นั้นก็เคยละสมุทยสัต์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา บุคคลใดเคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตย์ใช่ไหมวิศัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตย์บุคคลนั้นก็ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิศัชนาอรหันตแต่บุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกขสัตย์แต่ไม่ใช่ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ เป็นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักและอระหันต บ, บุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สัตย์และก็ไม่เคยละสมุทัยสัตว์ปฏิรูปปุจฉาบุคคลใดไม่เคยละสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สัตริย์ใช่ไหมวิจชนาะบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่เคยละสมุทัยสัตว์ แต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สั์เว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยรหัตตะมักและอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยละสมุทยสัตว์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกษสัตห์ 5. ปัจจุปันนานาคตาวานว่าด้วยสภาวระทามที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคต 169. อนุโลมปุจฉาบุคคลใดกำลังกำหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นก็จักรลัสมุททยสัตย์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักรลัสมุททยสัตย์บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้ทุกขสัตย์ใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ทุกขสัตย์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักลัสมุททยสัตย์ใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้จักได้มักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สัตย์แต่ไม่ใช่จากไมลัสมุทัยสัตว์อรหันต์บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มักไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สัตย์และก็ไม่ใช่จากลาสมุทัยสัตว์ปฏิโรมปุชชาบุคคลใดไม่ใช่จากลาสมุทัยสัตว์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกข์สัตย์ใช่ไหมวิจัดชนาะ บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตามักไม่ใช่จักรลัสมุทธิยศัตร์แต่มีใช่ไม่กำลังกำหนดรู้ทุกศัตร์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนตึงจักไม่ได้มักไม่ใช่จักรลัสมุทธิยศัตร์และก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้ทุกศัตร์หอตีตานาขตาวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคต1นึ่งอนุลมปุจฉา บุคคลใดเคยกําหนดรู้ทุกขสัจบุคคลนั้นก็จักรลาสมุทยสัจใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดจักลาสมุทยสัจบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้ทุกขสัจใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้ทุกขสัจ บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากลัทสมุทยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้จักได้มรรคไม่เคยกําหนดรู้ทุกขสัตริย์แต่ไม่ใช่จากไปลัทสมุทยสัตว์บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรรคและบุคคลผู้เป็นปุถุชนซึ่งจักไม่ได้มรรคไม่เคยกําหนดรู้ทุกขสัตริย์และก็ไม่ใช่จากลัทสมุทัยสัตว์ปฏิโลมปุจฉาบุคคลใดไม่ใช่จากลัทสมุทยสัตว์ บุคคลนั้นก็ไม่เคยกําหนดรู้ทุกข์สัตย์ใช่ไหมวิจัตชนาอารหันต์ตบุคคลไม่ใช่จากราสมุทยสัตว์แต่ไม่ใช่ไม่เคยกําหนดรู้ทุกข์สัตว์บุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตต่มักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนตึงจักไม่ได้มักไม่ใช่จากราสมุทยสัตว์และก็ไม่เคยกําหนดรู้ทุกข์สัตย์ปริญญาวานจบสัจจยมกจบ สังขารยมก 1. ป น, นัตติวานละลุอุเทศ 1. สังขารสคือ 1. กายสังขารสภาพที่กายปรุงแต่งสองวจีสังขารสภาพที่ปรุงแต่งทางวาจา 3. จิตสังขารสภาพที่จิตปรุงแต่ง 1. ลมัสาาสาสะปัสสาสะชื่อว่ากายสังขาร 1. วิตตกละวิจาร์ชื่อว่าวจีสังขาร สัญญาและเวทนาชื่อว่าจิตตัดสังขารเว้นวิตกและวิจารณ์แล้วสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้จิตแม้ทั้งหมดชื่อว่าจิตตัดสังขาร 1. นึปัทโธตะนาวานุโลมสอกายเป็นกายสังขารใช่ไหมกายสังขารเป็นกายใช่ไหมวัจีเป็นวัจจีสังขารใช่ไหม วจีสังขารเป็นวจีใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหมปัจจานิกะ 3. ส, สภาวธรรมที่ไม่เป็นกาย ไ, ไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นวจีใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตแต่สังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นจิตใช่ไหม 2. องปัทโธธนามูลจักรวาลอนุโลมสีกายเป็นกายสังขารใช่ไหมสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม กายเป็นกายสังขารใช่ไหมสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวัจีเป็นวัจีสังขารใช่ไหมสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวัจีเป็นวัจีสังขารใช่ไหมสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมสังขารเป็นกายแตสังขารใช่ไหมจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหม สังขารเป็นว ye, จีสังขารใช่ไหมปัจจีกะ 5. สภาวธรรมที่ไม <water> <hockey |lo|>? ่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นวรจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่เป็นมรจี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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตต่สังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหม 3. สุทธสังขารวาลอนุโลมหกายสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวจีสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมกายสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตต่สังขารเป็นกายสังขารใช่ไหม วจีสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมจิตตสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมปัจจณิกะ 7. สภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นวัจีสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นจิตตสังขารใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมปัณติวาลอุตเทศจบหนปัณติวารนิเทศ หนึ่งปทโสธนวานอนุลม์แปดอนุลม์ปุจฉากายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลม์ปุจฉากายสังขารเป็นกายใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลม์ปุจฉาวัจีเป็นวัจีสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลม์ปุจฉา วจีสังขารเป็นวจีใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาจิตเป็นจิตสังขารใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาจิตตสังขารเป็นจิตใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปัจจนีกะกาอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายสังขารใช่ไหม วิจัชนากายสังขารไม่เป็นกายแต่เป็นกายสังขารเว้นกายและกายสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขารไม่เป็นกายใช่ไหมวิจัชนากายไม่เป็นกายสังขารแต่เป็นกาย เว้นกายและกายสังขานแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวัจีไม่เป็นวจีสั้งขานใช่ไหมวิจชนาวจีสังขารไม่เป็นวจีแต่เป็นวจีสังขานเว้นวจีและวจีสังขานแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีสั้งขารก็ใช่ปฏิโรมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นวจีใช่ไหมวิจัชนะวจีไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นวจีเว้นวจีและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตแต่สังขารใช่ไหมวิจัชนาจิตตสังขารไม่เป็นจิต แต่เป็นจิตตสังขารเว้นจิตและจิตตสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตก็ใช่ไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตตสังขารไม่เป็นจิตใช่ไหมวิจชนาจิตไม่เป็นจิตตสังขารแต่เป็นจิตเป็นจิตและจิตแต่สังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตก็ใช่ไม่เป uh ็นจิตตสังขารก็ใช e ่ สอง ป, สาาอสอปัทโสะธนูรัรวาลอนุโลมสิบอนุโลมปุจฉากายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาะวจีสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นวจีสังขารก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นวจีสังขาร อนุลมฺปุจฉากายเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัตชนาะไม่ใช่ปฏิลมปุจฉาสังขารเป็นจิตแตสังขารใช่ไหมวิจัตชนาจิตตสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นจิตตสังขานะราขาาขาก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นจิตตสังขาร ส, สิบออนุลมฺปุจฉาวจีเป็นวจีสังขารใช่ไหม วิจัชน า, าไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัชนากายสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นกายสังขารก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นกายสังขารอนุโลมปุจฉาวัจีเป็นวัจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉา สังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิจัดชนาจิตตสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นจิตตสังขารก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นจิตตสังขาร 12. อนุโลมปุจฉาจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิจัชชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัดชนา กายสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นกายสังขารก็ใช่ตภาวธรรมที่เหลือเป็นสังขารแต่ไม่เป็นกายสังขารอนุโลมปุจฉาจิตเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิจตัชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหม ว, นะวิจััชนาวจีสังขารเป็นสังขารก็ใช่เป็นวจีสังขารก็ใช่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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นสั้งขารไม่เป็นจิตต่สังขารใช่ไหมวิจัชนาใช่ 14. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีไม่เป็นวจีสังขารใช่ไหมวิจัชนาวจีสังขารไม่เป็นวจีแต่เป็นวจีสังขารเว้นวจีและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่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 เว้นวจีและวจีสังขานแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีก็ใช่ไม่เป็นวัจีทั้งขานก็ใช่ปฏิโรมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขานไม่เป็นจิตต่ังขานใช่ไหมวิจัชนาใช่ 15. อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตไม่เป็นจิตแต่ังขานใช่ไหมวิจัชนาจิตแต่ังขานไม่เป็นจิต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 จิตตสังขารไม่เป็นจิตแต่เป็นจิตตสังขารเว้นจิตและจิตตสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตก็ใช่ไม่เป็นจิตแต่สังขารก็ใช่ปฏิโลมปุชชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังขารไม่เป็นว จ, จีสังขารใช่ไหมวิจัชนาะใช่ 3. ส, สุทธสังขารวาลอนุโลมสิบ อนุโลมปุจชากายสังขารเป็นวจีสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุตชาวจีสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่อนุโลมปุตชากายสังขารเป็นจิตตสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุตชาจิแตสังขารเป็นกายสังขารใช่ไหมวิจัดชนาไม่ใช่ อนุโลมปุตชาวจีทั้งขานเป็นจิตต์ั้งขานใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ปฏิโลมปุตชาจิตต์ั้งขานเป็นวัจีทั้งขานใช่ไหมวิจัดชนาะไม่ใช่ปัจจนิกสิบเจอนุโลมปุตชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายทั้งขานไม่เป็นวจีทั้งขานใช่ไหมวินะวจัดชนาวัจีทั้งขาน ไม่เป็นกายสังขารแต่เป็นวจีสังขารเว้นกายสังขารและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายสังขารก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่ปฏิรมปปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขารไม่เป็นกายสังขารใช่ไหมวิจชนากายสังขารไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นกายสังขารเว้นวจีสังขารและกายสังขารแล้ว สภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีทั้งขารก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายสังขานไม่เป็นจิตแต่ังขานใช่ไหมวิจติชนาจิตต่ังขารไม่เป็นกายสังขารแต่เป็นจิตแต่ังขารเว้นกายแต่ังขานและจิตแต่ังขานแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นกายทั้งขารก็ใช่ไม่เป็นจิตแต่ั้งขานก็ใช่ปฏิโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตแตสังขารไม่เป็นกายแสังขารใช่ไหมวิจัชนากายสังขารไม่เป็นจิตแตสังขารแต่เป็นกายสังขารเว้นจิตสังขารและกายสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ไม่เป็นกายสังขารก็ใช่ 18. อนุโลมปุจฉา สภาวธรรมที่ไม่เป็นวจีสังขานไม่เป็นจิตแต่ังขานใช่ไหมวิจัดชนาจิตแต่ังขารไม่เป็นวจีสังขารแต่เป็นจิตแต่ังขานเว้นวจีสังขานและจิตแต่ังขานแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นวจีทังขารก็ใช่ไม่เป็นจิตแต่ังขารก็ใช่ปฏิโลมปุจชาสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตสังขารไม่เป็นวจีทังขานใช่ไหมวิจัดชนา วจีสังขารไม่เป็นจิตตสังขารแต่เป็นวจีสังขารเว้นจิตตสังขารและวจีสังขารแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจิตตสังขารก็ใช่ไม่เป็นวจีสังขารก็ใช่ปนัตติวารนิเทศจบ